สุตะแล้วก็จินตะจินตะแล้วก็สุตะสุตะแล้วก็จินตะเกิดประโยชน์สุตามยปัญญาจินตามยะปัญญาชีวิตทั้งชีวิตเราแสวงหาปัญญาปัญญา <c oughs> สัมมาปัญญาเชิดชูให้ชีวิตจิตใจเราสูงเด่น <c oughs> ปัญญาจึงเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกลสมิปัจโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก <c oughs> แสงสว่างที่ใจของเราเนะี่ยทำให้เราเข้าใจโลกทำให้เรารู้เรื่องโลกสมาธิเสริมปัญญาปัญญาเสริมสมาธิสมาธิเสริมปัญญาเดี๋ยวนี้เราอับจนที่สุดคือเราอับจนปัญญา ทุกยากลำบากเดี๋ยวนี้เพราะอะไรเพราะเราขาดปัญญาเราแสวงหาปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ทั่วสัมมาปัญญารู้ชอบรู้ทั่วรู้ชอบสัมมาปัญญาแปลว่ารู้ชอบตัวปัญญาแปลว่ารู้ทั่วปัญญายาน ยานแปลว่าความยังรู้คำ ว, ว่ายัางก็คือกำหนดรู้แล้วซึ้บไปเลยสิ่งที่เป็นศัตรูกับปัญญาก็มีมิจฉาปัญญารู้ผิด สัมมาปัญญารู้ชอบสิ่งที่ช่วยกลั่นกรองให้เกิดความรู้ชอบก็คือสมาธิสมาธิที่ชอบคือสัมมาสมาธิอย่าลืมสัมมาสมาธิสมาธิชอบสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ รวมสามอย่างเป็นสัมมาสมาธิเราไปดูในองค์มรรคอริอนนยมรรคมีองค์แปดศีล ส, สมาธิปัญญาแต่ในองค์แปดนั้นท่านเรียงไว้ปัญญาแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิสมาธิทธิสมาสังคโป เป็นเรื่องของปัญญาในมรรคไม่องแปดนะสมาธิิแปลว่าเห็นชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นถูกเห็นตรงเห็นจริงตามความมีจริงเป็นอยู่จริงมีอยู่จริงสมาธิท่านชี้ไปที่เห็นทุกข์เห็นสมุทยเห็นโกรธเห็นมรรคนี่หลักนะ ทั้งหมดนี้เป็นหลักทิ้งหลักไม่ได้นะทิ้งหลักแล้วก็หลงนะนี่คือหลักเราทิ้งไม่ได้สัมาทิตฐิเห็นชอบเห็นทุกเราเห็นไหมทุกเห็นสมุทยัยเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นนิโรธเห็นความดับทุก เห็นข้อปฏิบัติเพื่อความรับทุก น, นี่คือองค์ประกอบเป็นเรื่องของปัญญานะการที่เราจะก้าวไปสู่ปัญญาเราทิ้งหลักเหล่านี้ไม่ได้สัมมาทิฏฐิสมาสังกโปสมาสังกปะเนี่ยคือการดรําริการดับการดาริก็คือดําริในความเห็นนั่นแหละดาริชอบดาริในการไม่เบียดเบียน ดำรีในการไม่พยาบาทบาดำรีออกจากกามเนี่ยถ้าเราไม่มีการดำรีออกจากกามเนี่ยเราจะออกจากกามได้ไหมปัญญาจึงเป็นแสงสว่างนาหน้าเราเลยเราเห็นไหมก็เหมือนอย่างถ้าเราพวกเราไม่เบื่อไม่ไหนในกามเนี่ยเราไม่ดำรีคิดจะออกจากกามเนี่ยเราจะมาได้ไหมเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมทั้ง ทั้งผ้าขาวทั้งแม่ขาวแ ม, แม่ดาแม่ด่างทั้งผ้าเหลืองเนี่ยราจะออกมาจากบ้านไน้ไหมถ้าเราไม่คิดที่จะออกจากกามไม่ดำริที่จะออกจากกามเราจะมานั่งตรงนี้ได้ไหมเรามาไม่ได้นี่ปัญญาไหมดาริชอบดาริออกจากกามดาริในความไม่เบียดเบียน ในความไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนในเมื่อเราดําริชอบจึงเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นนั้นจะเริ่มเห็นชอบทั้งหมนี้เป็นหลักนะเราทิ้งหลักแล้วเราหลงอย่าลืมเอาปริยัติมาพูดเอาปริยัติมาพูดถ้าเราไม่มีหลักเหล่านี้เป็นแนวแนวหน้าเป็นแนวนําเราจะหลงนะหลงทาง น, นะ นั่งคิดนั่งปุงเ้ย่ยเปยสารพัดผิดถูกผิดชอบชัว่วดีไม่รู้จักสําคัญพ่าแต่ของปฏิบัติเจ้าของปฏิบัติเจ้าของปฏิบัติทิ้งหลักไม่ได้หลงหลักเหล่านี้เราทิ้งไม่ได้นะเราหลงเนาะจะพูดถึงศีลสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาชีโวสัมมาวาจาจิระจายชอบการงานชอบการงานที่ประสิ ท, ทธิ์ากโทษ เลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตที่ปราศจาโทษนะคือไม่ผิดศีลกิริยากายไม่ผิดศีลกิริยาวาจาสแสวงหาปัจจัยสีมาเลี้ยงชีวิตตัวเองไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมนะันเป็นศีลเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของปัญญาแล้วก็เป็นเรื่องของศีล น, นี่เราพูดตามมักมีองแปะนะตราบใดที่เราตั้งใจเ พ, พื่ปฏิบัติตามมักมีองแ มันจะเป็นการชำระเป็นการขัดกลาวตัวเองเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยอย่าทิ้งหลักทิ้งหลักไม่ได้ทิ้งหลักแล้วก็หลงนะเห็นไหมเขาพาหลงกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ทิ้งสมาธิจะทิ้งสมาธิแหละสมาธิทาให้เนิรนช้าเนิรนช้ า, น, านักเข้าเป็นมิจฉาสมาธิพาเขาทร้าพงไม่รู้เรื่องพาเข้าทรกเขา้าพงไม่รู้เรื่องไปจับประเด็นไปจับคําพูด ก็พระพุทธเจ้าบางอย่างบางส่วนมาแล้วก็มาพูดขัดแย้งขัดขานพระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นส่งเสริมให้กราบรูปไม่เห็นส่งเสริมให้มีเรื่องสักการะนั่นน่ะนนเข้าจะเอารูปครูบาอาจารย์ไปเผาทิ้งหมดเอา ร, รูปพุทรูปไปไปฝังเอาน้ำกรดรถฝังทิ้งนั่นน่นมันมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเราดูเถิ ไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งเหล่านี้คือสื่อรู้จักไหมคําว่าสื่อก็อเหมือนอย่างดอกไม้ดอกไม้ที่เรามาสักการะเนี่ยแทบเป็นสื่อทนั้นมาสื่อไปถึงอะไรมันสื่อไปถึงความเคารพความสักการะความนอบน้อมในบุญในคุณในบุญในคุณของผู้ริเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์รูปที่เป็นทองเหลืองที่เราเห็นอยู่เนี้ เป็นรูปแทนแทนผู้ดเจ้าแทนครูบาอาจารย์เป็นสื่อสื่อเข้าไปถึงอะไรเข้าไปถึงบุญเข้าไปถึงคุณของท่านเข้าใจไหมคะว่าสื่อรูปดอกไม้เครื่องสักการะทั้งหลายทั้งปวงนะเป็นแค่สื่อเท่านั้นเองมันส่งไปที่ไหนมันส่งไปที่ใจของผู้นำมักตั้งมาสักการะ บอกไปถึงความเคารพความศักการะความบูชาถึงบุญถึงคุณของท่านเสียหายไหมพุทธเจ้าท่านสอนให้ทํำไหมอาบิสบูชาปฏิบัติบูชาท่านตำหนิไหมอาบิสบูชาท่านกน็ไม่ตาหนิปฏิบัติบูชามันยิ่งเยี่ยมเพราะจะได้มรดได้ผลจะต้องปฏิบัติบูชา ในขณะเดียวกันอามิสบูชาอมิาคาอามิสบูชารวมไปถึงสมบงจีวรรวมไปถึงอาหารรวมไปถึงที่อยู่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอามิสบูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เราเพึ่งพาอาศัยเราใช้สอยสิ่งเหล่านี้เราดูออกไหมสิ่งเหล่านี้แค่เป็นสื่อลึอกเข้าไปถึงคุณธรรมของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดูให้ออก พุทเจ้าท่านไม่เห็นส่งเสริมพูทเจ้าท่านไม่ส่งเสริมท่านไม่เห็นบอกให้กราบรูปพรูปท่านอะไรท่านพูดไปเรื่อยเปื่อยไปเข้าใจคําว่าสื่อไหมมันเป็นสื่อทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้แหละระวังเขาพาเขาร็กเขาพงไปหมดนะเดี๋ยวนี้นะพวกเราทิ้งหลักทิ้งเกณฑ์ไปหมดมันมีอยู่เดี๋ยวนี้มันแทรกเข้ามาแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันแทรกเข้ามา เข้าใจไหมต้องใช้ปัญญาไหมหรือเอาหัวชนมันไม่ไม่แค่เอาหัวชนเอาหัวถูถนนน่ะน่ะถนนราดยางเอาหัวถูไปเลยไม่เอาตีนเดินเอาหัวเดินโน่นเราอยากว่าถึงขนาดนั้นน่ะมันไม่เอาหัวเดินน่ะนะเอาตีนเดินนะมันจะเอาหัวถูเอาหัวถูถนนเข้าไปเลยนะเดี๋ยวนี้นะมันตีมันตันอั้นตู้ถึงขนาดนั้นน่ะปัญญาของนัก ภาวนานักปฏิบตัตินักศึกษาพุทธวจนะ น, นะ่มันเอาขนาดนัา้นานะเดี๋ยวนี้นะดูให้ดีนะก็าพาเขารกเขาพงไปหมดนะเดี๋ยวนี้นะนี่เราพูดถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาเจรจายชอบนี่เป็นเรื่องของศีลสัมมากรมันโตการงานชอบการงานไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม สมาชีวเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ลักไม่ขโมยเข้ามานี่ท่านพูดถึงแล้วแต่เราจะเรียกเราจะเรียกแค่การเป็นอยู่หรือการเลี้ยงจิตใจเราจะเอาการเลี้ยงกายหรือจะเอาการเลี้ยงใจแต่หลวงตาท่านประยุกต์มาที่การเลี้ยงใจเจริญาจชอบเจียจจาไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนใจของตัวเอง ก็ต้องกระเทือนใจของคนอื่นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตตัเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตที่ชอบด้วยธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดศีลด้วยไม่ผิดธรรมด้วยสัมมาชีวโวการงานชอบก็คือการงานนี่แหละการงานโดยธรรมก็คือการนั่งสมาธิเดินอยูกรมนั่งภาวนานี่คือการงานชอบหลงตาท่านประยุกต์ทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งประยุกต์ ท่านปรยุกต์มาหมดนะเพื่อให้พวกเราเข้าใจนี่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของศีลแต่เป็นเรื่องของสมาธิท่านพูดถึงเรื่องอะไรเ่ยสัมมาวายาโม О, สัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นเรื่องของสมาธิปัญญาศีลแล้วก็สมาธิแต่เวลาท่านเรียกเน่ยถ้าจะเรียกตามลําดับขั้นจากต่ำไปหาสูงคือศีลคือสมาธิคือปัญญา ศีลเหมือนบันไดขั้นขั้นแรกอืสมาธิเหมือนบันไดขั้นที่สองปัญญาเหมือนบันไดขั้นสามก็ถือว่าสูงโดยลําดับแต่ในอริยมรรคมีวงคแปดในแง่ของการปฏิบัติถ้าไม่มีปัญญานําหน้าจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องส่งทางนําทางเราเราจะแวกว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไงแวกไม่ได้มาไม่ได้นั่งไม่ได้อืต้องเห็นชอบ เี้ชอบวันนี้คือทางเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหมดจดที่จะทําให้เราแวกไหวละทิ้งกามเอากายออกจากกามเอาจิตออกจากกามกายออกจากกามเราก็ละบ้านละช่องมาเนี่ยเรามานั่งอยู่ตรงนี้ถือว่ า, าละกามละกายเอากายออกจากกามเราพยายามมานั่งภาวนาะให้จิตสงบเพื่อที่จะเอาจิตออกจากกามนี่คือการปฏิบัติเพราะกามทั้งหลายนะ่ะมันเป็น เครื่องดึงเราไว้ในโลกนี้โลกนี้ที่เราไปไม่ได้เพราะราว่ากามนี่แหละมันก็มีคุณส่วนหนึ่งของมันท่านยื่นเรียกว่ากามคุณกลามคุณมันมีคุณอย่างได้อย่างหนึ่งของมันเราดูดีมันเหนียวแน่นมันมันม่นคงไหมอ่าเราติดเราเกาะเราเกี่ยวข้องเราผูกพันเราพัวพันแค่เราติดใจในรูปของเราเนี่ยต้องทําหากินเลี้ยงมันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างลําบากจะเป็นจะตายเสียงเป็นเสียงตายกับ การที่จะได้อะไรมาเพื่อเลี้ยงมันเสียงเป็นเสียงตายไหมกับการเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้เพราะฉะนั้นในองค์มากนั่นอะสัมมาวายโมพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบเป็นสัมมานะสัมมาส ม, มาธิจิตสงบชอบจิตสงบชอบนั้นหมายความว่า จิตสงบมีสติอยู่ในนั้นมีสมาฉันยะอยู่ในนั้นมีความภาคความเพียรประคับประคองอยู่ในนั้นสัมมาวายโามพยายามชอบนี่เป็นองค์สมาธินะสัมมาสติระลึกชอบระลึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่มันก็เป็นการระลึกชอบเพื่อความสงบของจิตระลึกกายก็เพื่อความสงบของจิตระลึกเวทนา ก็เพื่อความสงบระงับของจิตระลึกจิตระลึกจิตระลึกรู้อารมณ์ของจิตระลึกรู้ธรรมระลึกรู้อารมณ์ของธรรมอารมณ์ของจิตทั้งนั้นแหละทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมก็คืองานของจิตทั้งนั้นแหละนี่เป็นเรื่องของมหาสติมหาสตินี้แหละเป็นการระลึกชอบ ระลึกกายระลึกเวทนาระลึกจิตระลึกธรรมนี่เป็นสติเป็นสัมมาสติถ้าระลึกอย่างนี้ท้าว่าเป็นสัมมาสติระลึกชอบนี่เป็นสติเบื้องสูงไม่ใช่สติใช้ทำนั้นทำนี้ทำอะไรนี่สติเพื่อนๆธรรมดาท่านท่านไม่เรียกเพราะสิ่งเหล่านั้นแค่ทำให้เราประกอบการงานเหล่านั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีเท่านั้นเองไม่ให้มันอันตราย แต่สติเบื้องสูงเนี่ยเป็นสติปฏิบัติเพื่อละอัตตาเพื่อละอัตตาเพื่อละตัวเพื่อละตนเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อไม่ยึดเพื่อไม่ถือเพื่อทำลายอัตตาตัวตนพุที่จะเข้าถึงความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนท่านจึงใช้คำว่าสติเบื้องสูงสติเบื้องต่ำก็คือสติพื้นพื้นที่เรามีเราเป็นไม่บาบายวิกฤวิกาแต่ถึงเป็นคนมีสติ แต่สติเบื้องสูงสติเอามาทำงานสัมมาวายโมพยายามชอบพยายามชอบคือพยายามตั้งสตินี่แหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธประธานประธานสี่วายามะวายมะประวัาพยายามชอบพยายามชอบอพยายามชอบมีองค์ประกอบสี่อย่าง มีองค์ประกอบสีอย่างที่เราเรียกว่ า, า, ภ, า, วาภาวนาประทานอนุรักษณาประทานเราทําภาวนาประทานอย่างเดียวสังวรประทานก็ถูกตัดไปโดยอัตโนมัติถูกตัดไปโดยอัตโนมัติประหารประทานมันก็ถูกตัดไปโดยอัตโนมัติทําให้จิตมีสมาธิเกิดขึ้นในหัวใจของเรา ก็เป็นเหตุทําให้กุศลเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันก็เป็นการตัดทอนกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราขัดกลาวกิเลสเก่าที่มีอยู่เก่าในหัวใจของเราให้บรรเบาไปบางไปให้มันตื่นโรูไปนี่คือประธานคือความเพียรท่านพูดถึงฝ่ายกุศลท่านพูดถึงฝ่ายกุศลคือภาวนาประธานแล้วก็เวลาเรา ภาวนาไปแล้วเกิดผลมีผลปรากฏขึ้นมาท่านให้รักษาอนุรักษณาประทานเมื่อเราเจริญสมาธิสมาธิเรามีแล้วเ ร, เราพยายามรักษาไว้เราเจริญปัญญาปัญญารามีความรอบรู้เราพยายามรักษาความรอบรู้นี้เอาไว้นี่เป็นภาวนาประทานเป็นอนุรักษณาประทานเราเจรยยิญจิตของเราให้ได้รับความสงบสงบแล้ว ส, สงบแล้วสงบแล้วสงบอีกรักษาความสงบนั้นเอาไว้ พยายามทําเพิ่มพูนให้ละเอียดลึกเข้าไปโดยลําดับนี่เป็นภาวนาประธานอ น, อนุรักษนาประธานในขณะเดียวกันที่เราทํางานก็เราเอาใจดวงนี้แหละมาทํางานใจดวงเดียวนี้แหละมาทํางานในขณะที่เราภาวนาอากุศรที่มันจะพึงเจริญขึ้นในหัวใจของเรามันก็เป็นสังวรประธานไปในตัวเราจะสังวรประธานไม่ให้ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในหัวใจของเรา มันก็เป็นการภาวนาประทานไปในตัวเราภาวนาประทานไปในตัวมันก็เป็นสังวรประทานไปในตัวไม่ให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเห็นไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าจับอย่างเดียวได้ผลหมดอประหารประทานละในขณะเดียวกันละไม่ให้ละอกุศลที่เคยเกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจของเราถือว่าละไปโดยลำพังละไปโดยอัตโนมัติ ในเมื่อเราพยายามสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นความมืดบอดมันก็ค่อยๆสงบระงับไประงับไประงับไปในหัวใจของเราเราดูวิธีการที่พุทิยักษ์ท่านสอนเรามันขัดแย้งกันไม่ขัดแย้งกันเลยเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเรานั่งมาเป็นกี่ชั่วโมงก็ตามจะเป็นเรื่องของสมาธิก็ตามจะเป็นเรื่องของปัญญาก็ตามทําอย่างเดียวอย่างอื่นก็ปลอยหยุดชะงักไปหมด พอหยุดชนะไปหมดเช่นอย่างภาวนาให้จิตได้รัความสงบเนี่ยไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันวุ่นไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจิตดวงเดียวเอาจิตดวงเดียวนี่มาทํางานจิตเริ่มสงบจิตเริ่มสงบก็คือจิตเริ่มมีสมาธิจิตมามีสมาธิจิตก็เริ่มมีสติจิตเริ่มมีสมาธิจิตเริ่มมีสัพพัญญะเหนียวแน่นมั่นคงแนบแน่น แน่นหนามันคงเพิ่มเติมกล้าแข็งเข้าไปเรื่อยกล้าแข็งเข้าไปเรื่อยนี่ทำให้จิตของเราได้รับความสงบสงบด้วยงานพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่คืองานทําไปทําไปจนเขาอิ่มเขาพอเขาไม่ว่าพุทโธจิตมันก็ไม่วิ่งไปหารูปหาเสียงหาดินหารสหาสัมผัสจิตเริ่มห่างออกจากกาม จิตเริ่มห่างจากกามจิตห่างจากกามได้เท่าไหร่นั่นแหละคือการเอาจิตออกจากกามได้เหมือนอย่างที่พวกเราเอากายออกจากกามเอามาจากบ้านมาอยู่ตรงนี้เอากายออกมาจากกามแล้วก็มาพยายามทำจิตออกจากกามจิตได้รับความสงบมากเท่าไหร่นั่นแหละจิตจะเริ่มออกจากกามจากนั้นแล้วความเพียรคุณธรรมเปื้องสูงขึ้นไปเราึงถึงจะพอจะเจริญให้ ทำให้เจริญงอกเงยขึ้นมาได้ขัดสีไปเรื่อยขัดสีก็้ไปเรื่อยขัดสีเข้ไปเรื่อยจนสมารถลุกเป็นไฟขึ้นมาได้กายยังเกี่ยวข้องอยู่กับกามจิตยังเกี่ยวข้องอยู่กับกามเหมือนกับไม้สดด้วยชุมด้วยยางอีกด้วยแช่อยู่ในน้ำอีกเอามาถัวให้เกิดไฟยังเกี่ยวข้องอยู่ภานในกามจิตยังคิดถึงฟุ้นถึงเรื่องกาม มาขัดมาเกลามาบําเพ็ญตะบะยังไงตะบะมันจะลุกเป็นไฟขึ้นมาได้ธรรมะจะพึงเจริญสมาธิจะเจริญในหัวใจได้ปัญญาจะเจริญปัญญาสัมมาปัญญาสัมมาสมาธิจะพึงเจริญในหัวใจได้มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเพราะมันไม่มีตะปะที่จะมาอบมารมให้จิตตรงนั้นเนี่ยเร่าร้อนเผาแผดเผากิเลสหัวใจมันเหือดไปมันแห้งไปจากหัวใจได้ ตั้นหาราคานหน่วใจทําไมมันจะเหือดไปแห้งไปได้มันเหือดแห้งไปไม่ได้ตราบดใดที่เรายังไม่เอากายออกจากกามยังไม่เอาจิตออกจากกามต่อเมื่อเราเอากายออกจากกามได้เราเอาจิตออกจากกามได้เอาจิตมาทําให้จิตได้รับความสงบไม่วิ่งวุ่นไปตามกามจึงจะสามารถเอาจิตดวงนั้นมาขัดมากรามาชักมาล้าง เพื่อที่จะบรรเทาเพื่อที่จะไถ่ถอนกามตัณหาในหัวใจออกได้กามตัณหาไข่เกี่ยวกับเรื่องกามเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเนี่ยตเรียกว่ากามทั้งนั้นแหละอยอดของกามก็คือกามราคะกำหนัดในรูปหญิงในรูปชายนี่คือยอดของกามตัวนี้เป็นตัวที่เอาออกยากเอาตัวนี้ออกได้ ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อีกแล้วแหละนู่นเป็นพระนาคามีตายแล้วยังไม่ได้เป็นพระารนุนไปเกิดในสุตาวาสรามาโลกนู่นสิ่งเหล่านี้แหละมันมีพลังมันหนึ่งดูดพวกเราให้มันค้องมาค้องมาคาอยู่ในโลกเนี่คือกามให้เราเข้าใจเรื่องของก า, ร, งการเพราะกนรชวนสมาธิก็ตามเราตั้งใจทาอย่างเดียว มันมีผลเราดูมาที่องค์ประธานคือความเพียรสังวรประธานประหานประธานสังวรก็คือระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ให้บาปใหม่เกิดขึ้นไม่ให้ตันหาใหม่เกิดขึ้นอ่า ง, งั้นเถอะสังวรประธานระมัดระวังเอาสติมารักษาเอาสมาธิมาเป็นงานมากำกับเอาอารมณ์มากำกับในจิตให้จิตเดชรักความสงบสังวรประธานในขณะที่เราทํางานมันก็ระวังให้บาปเกิดขึ้น บ า, บาปใหม่ไม่เกิดขึ้นบาปเก่าที่มีอยู่แล้วมันก็พลอยเล่าร้อนไปของมันะแต่มันจะเกิดแห้งไปไม่หมดเราจะต้องวิทออกก็เหมือนน้ําที่มันทะลักเข้าไปในเรือนั่นแหละอน้ําเก่ามันยังมีค้างอยู่ในเรือถึงแม้ว่าเราจะอุดรูไม่ให้น้ำใหม่เข้าไปน้ําเก่าเราไม่เอาออกไม่วิทออกมันก็ยังค้างอยู่ในเรือเพราะฉะนั้นเราอุดรู ไม่ให้น้ําใหม่มันทะลักเข้าไปเหมือนสังวรประทานอประหารประทานก็คือละน้ําเปรียนเหมือนน้าเก่าที่มีอยู่ในเรือเราก็วิทออกวิตออกวิตย์ออกน้ําใหม่ไม่เข้าน้ําเก่าเราเพยายามวิทย์ออกวิทย์ไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นนี่สังวรประทานประหารประทานในขณะที่เราภาวนาประทานมันก็เป็นสังวรประทานภายในตัวนะ อนุรักษณาประธานในเมื่อเราพยายามปล่อยพยายามวางพยายามละอกุศลเหล่านั้นส่วนที่เป็นผลที่เป็นส่วนกุศลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรักษาของเก่าไม่ให้เสื่อมของใหม่เราพยายามทําเพิ่มพูนพยายามทําเพิ่มพูนรักษาของเก่าคําว่ารักษาของเก่าก็คือรักษาสมาธิรักษาปัญญาที่เคยเกิดขึ้นมีขึ้น ไม่ให้มันเสื่อมไปไม่ให้มันสิ้นไปพยายามทำเพิ่มพูนทวีคูณให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นนี่เราพยายามพูดตามตามหลักที่เรามาดำเนินเอามาประพฤติเอามาปฏิบัตินี่หลักตรงนี้แหละเป็นหลักที่เราน้อมมาได้น้อมไปใส่เกียร์กับหลักอริยสัจสีก็ได้น้อมไปใส่หลักอริยปฏิจจสมุปบาทก็ได้น้อมไปใส่หลักมหสติปัฏฐานก็ได้ สรุกมาทำงานตรงนี้ทำให้เรามาทำงานตะล่อมกันรวมกันมามันตะล่อมกันหมดและศีลก็ตะล่อมเข้ามาสมาธิก็ตะล่อมเข้ามาปัญญาก็ตะล่อมเข้ามาเพระาะฉะนั้นเวลาเ็าทำงานจริงๆเขาทำงานที่จใจท่านจิงเรียก ว, ว่ามัคคสังคีมัคคสังคีตราบใดที่ยังไม่เป็นอริยมรตมันก็แค่เดินมรต เหมือนอย่างที่พวกเราตั้งใจทํากันนี่แหละเขาเรียกว่าเดินมักตั้งใจเดินมักตั้งใจเดินให้ถูกถ้าเราเดินไม่ถูกมันไม่ครบองมักมันจะเป็นมักเพื่อจะเกิดอริยมักไม่ได้ตราบใดที่เรายังเดินมักไม่ถูกอริยมักที่จะปึงเกิดขึ้นเนี่ยปึงเกิดขึ้นได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาสมาธินี่เป็นสมาธิในอริยมักอริยมักมีองแปดเนี่ย ถ้าไม่ใช่สมาสมาธิไม่มีสติไม่มีสัมผััญญะมืดมิดจอมมิดหายเงียบไปไหนก็ไม่รู้เอาจิตดวงที่ไม่มีคุณสมบัติคือความรู้ติดเนือ้อติดตัวมามาพิจารณาเอามาทำงานไม่ได้เหมือนนอนหลับตื่นขึ้นมาหลับเงียบหายไปไหนก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาไม่มีสมาธิไม่มีกำลังจิตสงบจิตอยู่แนบเนื้อแน่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตมีกาลังจิตมีพลัง ความโง่ที่มีอยู่พร้อมพร้อมที่จะทํางานนี่แหละมาดูงานมาพิจนารณานงานมาคลี่คลายงานมาดูของจริงจำเพาะหน้ามาดูกายมาดูกายก็คือกําหนดทุกขกําหนดกายก็คือกําหนดทุกดูกายแล้วก็ดูมาที่จิตที่ท่าเรียกว่ากําหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุดไทยอย่างที่ลงตาท่านว่ากำหนดทุกแล้วก็ย้อนไปดูสมุดไทย มันถึงกันทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมำกำหนดกายก็คือดูรูปธรรมย้อนไปดูสมุทัยก็คือไปดูตัณหาภายในใจตัณหาภายในใจมันออกมาแล้วมันออกมายึดกายกายเรากายของของเรากายเขากายของของเราของเขายึดกายแล้วก็ยึดสิ่งนอกกายยึดสิ่งนู้นสิ่งนี้ของใช้ของสอยสารพัดมันพา ย, ยึด เลินหลงไปกับความยึดนั่นแหละ mm. กี่เลี่สพาเพลินเพลินด้วยธรรมก็อย่างหนึ่งเพลินด้วยกิเลสก็อย่างหนึ่งมันหักเพลินไปด้วยอำนาจของความลุ่มหลงหลงเพลินยึดไปไม่รู้เรื่องรู้ราวแหละอันทิราคะประกอบกันไปด้วยกันดูให้ออกเราไปตามกำหนดความเพลินไม่ได้ดอกถ้าเราไม่ทำงาน ความเพลินตัวไหนเราก็ตามต้อยต้อย ต, ต, ต, ต, ต, ตามหลังความเพลินมันตามไม่ได้เพราะความเพลินนั่นะมันเป็นผลมันเป็นผลเราเราจะไปตามจับผลไม่ได้เราจะต้องจับเหตุกําหนดเหตุท่านจึงให้กําหนดสมาธิแล้วพิจารณาคลี่คลายด้วยปัญญาจิตเรามีสมาธิอยู่แล้วพยายามปลุกฝังทาให้จิตมีกาลังมีสมาธิแนบแนนมันคงมากขึ้นเพิ่มขึ้นละเอียดลึก ถ้าจะเรียกตามองชานก็ชานที่หนึ่งละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปชานที่สองชานที่สามชานที่สี่กำหนดละเอียดลึกเข้าไปชานไหนที่มันทํางานได้ชานไหนที่มันทํางานได้ชานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่สี่มันทํางานไม่ได้แหละเขาพักแนบแน่นสงบเงียบเฉยอสงบเงียบเฉยเอามาทํางานไม่ได้ เพราะฉะนั on, ้นเพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดเราจึงกําหนดพิจารณาเราจึงกําหนดพิจารณากําหนดรู้กําหนดพิจารณากำหนดละกำหนดรู้กําหนดพิจารณากําหนดละหรือถ้าเราจะมาดำริถึงอารมณ์อารมณ์ของความสงบอารมณ์ของความสงบอ วิตกวิจารอยเงี้ยพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นวิตกวิจารณ์คือความวิตกคือความตึกวิจารณ์คือความตรองความตรองก็คืออะไรก็คือประคองแหละเอาจิตประคองเอาสติประคองเอาสัมปชัญญะประคองพุทโธยืดประคองให้มันยาวยืดวิตกวิจารณ์ ทาไปเหมือนกับเราป้อนอาหารเข้าไปที่จิตป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปส น, ยนิยจิแล้วกเขาอิม่มเป็นปีติเป็นความสุขอันเกิดขึ้นจากจิตแนวอยู่กับอารมณ์เดียวมีความเอิบอิ่มขึ้นมาแค่นี้เราก็ได้กําลังนะเพิ่มกําลังเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยขเขยจนกว่าเขาจะอิม่มนึกว่าเขาอิม่มเราไม่ต้องป้อนให้เขาไม่ต้องป้อนพุทโธเข้าไปเขาก็อยู่เขาไม่ดีดดิ้นไปหารูปหาเสียงฮัฟกลิ่นหารด คือเขาไม่หิวเขาอิ่มเขาไม่หิวเขาหิวอะไรหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวเรื่องราวหิวปัญญาปัญหาสารพัดที่จําพึงตามมามันหิวตัณหาน่ยมันหิวตัณหาคือความดิ้นของจิตมันหิวหิวอารมณ์เราป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปจนเขาแทบจะไม่มีกิริยาแสดงออกความดิ้นดิ้นของจิตความหิวของจิต ถึงเราปล่อยเขาก็ไม่ดิ้นไม่ดิน้นเขาก็สงบระงับ mm hmm. เออบอิ่มด้วยปีติ mm hmm. ในนั้นก็มีความสุข mm hmm. มันเกิดขึ้นจากอารมณ์มนเดียวอยู่แล่นแหละแค่นี้เราก็เออบอิ่มสงบมากสงบน้อยขนาดไหนเราเอามาพิจรารณาจิตที่ไม่สงบเอามาพิจรารณากับจิตที่สงบแล้วามาพิจรารณามันต่างกันนะมันต่างกันมากจิตที่มีความสงบมี ปืนมีบาทมีฐานของสมาธิมันเป็นกิจที่มีกำลังเป็นกิจที่มีพลังมันมีต้นทุนอยู่ในตัวมันมีความสงบด้วยมันมีความสุขด้วยมันมีความฉับไวต่อการรับรู้อารมณ์อีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเราทิ้งไม่ได้นะเราทิ้งแล้วเราลืมตัวเราทิ้งแล้วเราลืมลืมแล้วก็หลงละหลงหล ง, ล ง, ลงยึดหลงถือละในแต่ขั้นสมาธิเราก็หลงยึดหลงถือ ถือแนบแน่นมั่นคงยิงเรื่องพิจารณาเกิดความรอบรู้ทางเรื่องปัญญาสําหน่อยหนึ่งเดี๋ยวโดนสัญญาหลอกละยอกสัญญามันหลอกหลอกบางทีก็เห็นเห็นรูปเห็นร่างเห็นอะไรแต่ละนึกยึดนึกกลัวนึกอะไรสารพัดนั่นคือถูกมันหลอกแทนที่จะรู้จักตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็สักแต่ว่ารู้ก็รู้ไม่ได้ มีความกลัวแฝงเข้ามามีความไม่ไว้ใจแฝงเข้ามากลัวเข้ามาแล้วเราพยายามดูกาหนดดูให้ละเอียดลึกเข้าไปในหัวใจของเรางานข้างในนี้มันเป็นงานท้าทายเรานะเราดูสิเรานั่งเรานั่งแหละเรามีความดูดดื่มในหัวใจทําไม่หรือนั่งไปแล้วมันก็โลง่ลงๆอยู่กลางอากาศไม่มีอะไร จะจับอารมณ์อะไรมาก่อนรู้ไหมจับหลุดจับหลุดจับหลุดจับหลุดไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันว่าจะของจะได้เย็นอกเย็นใจจะได้เบาอกเบาใจจะได้ความสงบจะได้ความแชม่มชื่นเบิกบานในหัวใจกว่าจิตมันจะยอมให้กับคําำพุโทโธพุธโทโธแนบแนบ่แนด้วยสติด้วยสัมปชัญญะนี่มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันท่านจึงให้สั่งสมจึงให้อบรม อบรมตรงนี้เป็นการอบรมถูกถูกจุดถูกที่เพราะคนเรานั้นมีจิต ด, ดวงเดียวแต่เราเรียกตามอภิธรรมก็มีหลายดวงคือเรียกกิริยาอาการความโลภเท่านั้นดวงความโกรธเท่านั้นดวงความหลงเท่านั้นดวงก็งเรียกตามกิริยาอาการแต่เวลาเรามาปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็ไปจากอาการของผู้รู้อันเดียวนี่แหละ ผู้รู้คือจิตดวงเดียวนแหละทําให้เรารู้นูน้นรู้นี้เข้าใจๆๆนู้นเข้าใจนี้ผิดนู้นผิดนี้ถูกนู้นถูก น, นี้สิ่งที่เป็นกรุยหมายป้ายทางส่องทางให้เรารู้เพื่อไม่ให้หลงทางคือสติคือสัมผัสัญญะคือปัญญาแล้วก็หลักเกณฑ์เราก็ไม่ทิ้งเราพยายามตั้งอกตั้งใจทําอาศัยวิริยะอาศัยอุตสาหะด้วยความภากด้วยความเพียรแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทําไป เราก็อบรมกันอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะมีความก้าวหน้าท่านขอก้าวหน้าของท่านเราก็ก้าวหน้าของเราทั้งคนต่างตั้งตั้งใจทําด้วยความภาคภยยิญด้วยความอุตสาหะพยายามไปนี่เป็นงานที่ครูบาอาจารย์ปลูกฝังเป็นงานกรรมฐานต้องดูที่กําลังกําลังใจของเรากําลังใจคืออะไรหวังได้อัดได้ทําได้ความสงบส ง, บสงบัดในหัวใจ ห่างเหินจากกรรมห่างเหินจากกรรมแล้วก็เอาความสงบของจิตพิจารณาให้เห็นโทษของกรรมห่างเหินเฉยๆยังไม่จบต้องพิจารณาให้เห็นโทษทึ่จะปล่อยได้ทึ่จะละได้ทึงจะวางได้ความเบื่อความน่ายความคลายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็คลายไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วก็ยึดความเบื่อหน่ายนะ เบื่อหน่ายกคลายคลายจากการยึดมั่นถึงมั่นในรปูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและคลี่คลายจากการเบื่อหน่ายด้วยกำหนดดูกำหนดดูความเบื่อหน่ายด้วยไม่งั้นความเบื่อหน่ายก็เป็นสัญญาหลอกเราเหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงครูบาาจารย์ท่านสอนให้พิจารณาในบาทพิจารณาให้บาทเป็นของปฏิกกลเนี้ย มลพระเรานังพิจารณาฉันในบาทพิจารณาเห็นเป็นนอนยัวเย่ยัวเยยัวเยเห็นเป็นรูปเป็นอะไรด้วยจิตด้วยเหตุที่จิตของเรามันสงบมันสงบสงัดจากกามก็เลยให้เป็นรูปอะไรมันก็เี่ยนกาเลยให้เป็นตัวนอนเป็นอะไรยัวเย่จนสะอิดสอียนเบื่อหน่ายฉันอาหารไม่ลงนะชันอาหารไม่ลงฉันอาหารไม่ลงถูกสัญญาหลอกเห็นไหม เราสร้างเองเราหลงเองไมสัญญาตัวนี้เราสร้างเองนะเราสร้างเองแล้วเร า, เราหลงเองมันมีอิทธิพลนะมันมีอิทธิพลในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นเราหลงอิทธิพลออกมาอีีตั้งหากใช่ไหมเนี่ยคือปัญญามันไม่ทันปัญญามันไม่ทันสัญญาสัญญามันหมายเอาไว้สัญญาตัวนี้ถูกกิเลสกิเลสรูปคลำสัญญามันหมายเอาไว้ อย่างที่พิจารณาในบาแล้วก็ฉันไม่ลงองเสียเอียนจะอาจเจียนจะอะไรออกมานี่คือถูกสัญญาหลอกเราพิจารณาสภาพร่างกายของเราให้เกิดความเบื่อหน่ายก็เช่นเดียวกันอย่าให้สัญญามันมาสวมรอยแล้วก็มันก็มาหลอกให้อย่าให้อย่าเอาคำว่าเราไปรู้อย่าเอาคำว่าเราไปเห็นให้ใช้เป็นแต่เพียงปัญญาไปรู้ไปเห็นเท่านั้นเองไม่ให้มีเราไม่ให้มีเรา เพื่อจะเพื่อที่จะหนีเพื่อที่จะโดดเพื่อที่จะกลัวเพื่อที่จะให้เกิดอารมณ์ทั้งหลายตามมาดูอย่าให้เห็นให้สักหเห็นเียงว่าเป็นกิริยาเหมือนอย่างที่ฉันให้ท่านให้ใช้สติดูดกายก็สักคำว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราดูเวทนาก็สักคำว่าเวทนาไม่ใช่เราเป็นเวทนาเวทนาเป็นเราอาศัยสติระ ล, ลึกรู้โราอ ย, อยู่เพื่อไม่ให้คําว่าเราไปสวมรอยนี่มันละเอียดไหมละเอียดมาก มันละเอียดมากเราพยายามสังเกตสังกาจับตรงนี้แหละไม่งั้นเราหาช่องทางไปไม่ได้มันจะถูกสัญญาดักหน้าดักหลังแล้วก็หลงหลงกลหลงวบายของมันแล้วก็ติดค้างอยู่แค่นั้นดีไม่ดีพาเป็นบ้าเตลิดเปิดเปิงไปอย่างที่เขาว่าบ้าทำบ้าทำนั่น mm. ก็มันถูกสัญญาหลอกปล่อยไม่ได้ลักไม่ได้วางไม่ได้ยึดยึดผิดสาคัญผิดสาคัญผิดยึดผิดลืมย้อนมาดูผู้รู้ เลยหลงตระเวนเปิดเปิืงไปด้วยกันละเอียดนะเพราะฉะนั้นสมาธิจริงเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานที่เรารวมพลังขึ้นมาเพื่อให้รมีพลังพอที่จะเห็นสัจจะอย่างแท้จริงได้ไม่งั้นมันจะถูกสัญญาหลอกแต่สัญญาที่เป็นมรรคก็มีขอให้เราเจิญถูกต้องตามที่พระุทาธเจ้าท่านสอน อ, อันนี้จะสัญญาเนี่ยอนัตตะสัญญา อสุภสัญญาอสุภสัญญาทำให้เราเกิดการเบื่อหน่ายดูว่าเห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลโสโครกแต่ที่สำคัญที่สุดท่านพยายามให้ดูให้เลยนั้นไปดูให้เลยไปมันถึงจะไปเจอของจริงดูให้เลยอสุภานั้นไปต้องดูให้เลยนั้นไป ที่ท่านให้เอาอันนี้มากําหนดเหมือนกับเราเอาโล่มาปกมาป้องตัวเองเอาไว้ถ้าเราไม่มีโล่มาปกมาป้องเราก็ถูกก็ฟันเราหัวแตกซะก่อนถูกก็ฟันคอรเราขาดซะก่อนชะน่างเราพิจารณาให้เห็นอนนี้อางทุกขังอนัตตาอย่างแท้จริงพิจารณาไปอย่างเช่นอย่างพิจารณารูปหญิงพิจารณารูปฉายพิจารณากําหนดลงให้เห็นตามหลักธรรมชาติ มันยังไม่ขเข้าถึงหลักธรรมชาติสัญญามันมาแทรกเราพิจารณาเห็นเป็นอสุภะพิจารณาไปพิจารณาไปกลายเป็นสุภะขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นสุภะขึ้นมาก่อนที่มันจะเข้าถึงหลักธรรมชาติเข้าถึงไม่ได้ท่านจึงให้พิจารณาจนเลยนั้นไปเห็นสัจธว่าเป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึ่ง อ, อสุภะ เปื่อยเน่าเปื่อยก็เป็นธรรมชาติเน่าก็เป็นธรรมชาติกลิน่นคลุ้งขนาดไหนก็มันก็จักแต่ว่าธรรมชาติยังไปให้ถึงหลักธรรมชาติสัญญาเหล่านี้มันถึงจะหลอกเราไม่ได้เราก็นดพิจารณาอย่างนี้เราจะทําให้เราไม่ติดไม่ติดไม่ค้างในสัญญาสัญญาจะหลอกเราไม่ได้พยายามขยับอยู่ตรงนี้แหละขยับเ พ, พ้าขยับบอกขยับพิจารณาตรงนี้มันละเอียดนะนี่คืองานข้างใน งานกรรมฐานเป็นงานที่นั่งคนเดียวเรานั่งอยู่เต็มห้องกับมือกล็ล่าเรานั่งอยู่คนเดียวทํางานครําเคร่งอยู่กับหัวใจของเราดวงเดียวไม่ใช่นั่งล่องลอยอไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะกูบาอาจารย์ท่านจึงไม่ให้ทิ้งคําบริกรรมในเมื่อเราไม่ทิ้งคําบริกรรมมันมันก็จะเริ่มก่อตัวความสงบมันจะเริ่มก่อตัว ปีติความสุขมันจะเริ่มก่อตัวเริ่มก่อตัวนี่คือความสงบตะล่อมกขามาตลมะลอมเข้ามานี่เราพก็พยายามหัดจับหัดทำตรงนี้ยึดตรงนี้ใครสามารถทําให้ได้รับความสงบได้นั่นนะคนนั้นนะ่ะจิตคนนั้นเริ่มเป็นมงคลแล้วจิตคนนั้นเริ่มเป็นบุญแล้วนี่บุญมหากรุสันคือตรงนี้แหล ะ, ะมันเป็นเหตุ ทำให้จิตใจของเราเนี่ดีขึ้นพื้นฐานของจิตของเราดีขึ้นสติของเราดีขึ้นปัญญาของเราดีขึ้นความรู้ความเห็นโอยไม่ถูกหลอกจากสัญญาอารมณ์มันดีขึ้นงานเหล่านี้แหละเป็นงานที่จะเห็นของจริงได้งานอย่างอื่นเป็นงานหลอกปัญญาข้างนอกที่ไม่อย่างมาที่หลักมหาสติปัฏฐานตรงนี้มันจะถูกถูกหลอกเกือบทั้งนั้นแหละ ถูกหลอกให้เราติดให้เราค้างแต่ถ้าเรามาตรงนี้เราจะทำให้เราปล่อยได้ละได้วางได้พระข้าวถึงหลักความจริงที่แท้จริงแล้วก็ไม่คือไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรอะไรปรากฏขึ้นก็รู้ถ้าเราไม่รู้แล้วมันหลงนะอะไรปรากฏขึ้นก็รู้ถ้าเราไม่รู้เราก็หลงหลงแล้วมันเป็นอะไรมันยึดยึดยินดียึดเคลือนใจความน่า ย, ยินดีคือยึด ความไม่น่ายินดีมันก็ยึดอารมณ์โลภนอารมณ์โกรธความไม่น่ายินดีความขัดข้องในหัวใจมันก็ยึดเพราะเหตุมันยึดมันถึงเกิดอารมณ์โกรธอารมณ์ดีมันยึดโดยเหตุที่เราไม่รู้มันจึงเปิดเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์รักนอารมณ์รักอารมณ์ชังมาตรงไหนมันมาตรงนี้นนนดูให้เข้ใจ ถ้าเรารู้ไม่ทนเราก็หลงหลงแล้วก็ยึดดีก็ยึดไม่ดีก็ยึดยินดีก็ยึดยินยินยินร้ายก็ยึดท่านจึงให้สอบมาที่จิตเราอีกทีนึง่งดูมาที่จิตจิตยินดีไหมจิตยินดีก็รู้ว่ายินดีในเมื่อเรารู้แล้วมันไม่มันไม่หลงมันไม่หล ง, ลงอารมณ์แล้วก็ตกไปตัวผลงานอันนี้ ผลผลของงานอันนี้คือผลผลงานของกิจิตของกิจิตของสติตื่นรู้ขณะปัจจุบันทันโดดเดียวนั้นตอนนั้นที่จะเรียก ว, ว่าขณะปัจจุบันรูอยู่ตนนั้นตื่นอยู่ตอนนั้นความหลงไ ม, ไม่ครอบงำหัวใจเราได้ย้ำจับอารมณ์ธรรมะอันนี้กํากับจิตของเราตลอดเราจะได้สร้างกําลังใจให้กับตัวเองได้เป็นแน่นหนาบึกแผ่นแน่นหนามันคงไปได้ เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่านขอให้ใช้ความพยายามให้ตั้งอกตั้งใจวันนี้พอสมควรเวลาแค่นี้ก่อนออพอสมควรเวลาแค่นีุู้งี้เราจะอยู่ดึกเท่าไหร่พภูงนีเ้เราจะนั่งภาวนา ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่หรืออาจจะสวดนะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อะแล้วแต่อะไรจะเหมาะสมเนาะอาจจะพาสวดช่วงนั้นก็ได้อาจจะภาวนาช่วงนั้นก็ได้ไวไหมอยู่หลังเที่ยงคืน่ะไวไหมฮะไปนอนที่กุฏิทําไมไหว อ, อ่ะฮะไปนอนทําไมไหวอะ่ะ บางคนฝ้าตั้งแต่หัวข้ามไปน่ะยังไม่ถึงหกทุ่มเนี่ยนอนอตื่นแล้วถ้าถ้าใครไม่เคยอยู่ทั้งคืนเนี่ยจะไม่รู้ดอกถ้าเคยอยู่แค่หลับนอนแค่นี้ ช, ชิบจิบใจแต่เมื่อกคนที่ไม่เคยอดนั่นแะแค่ทานอาหารมื้อเดียวกลัวจะจะเป็นจะตายแล้วอดกลัวจะเป็นโรคขาดอาหารแล้วถ้าเคยอด เคยอดแล้วก็กี่วันกี่วันไม่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยเยะว่าได้ฉันมือเดียวนะไม่ฉันแล้วก็อดไปทั้งหลายหลายวันมันไม่มีวิตกไม่มีกองบนอะไรแหละแต่ถ้าคนไม่เคยอดแค่ฐานมื้อเดียวเท่านั้นแหละ <S S S> นี่ซึ่งเป็นหนทางของพระอนาคามีด้วยซ้ำพระอนาคามีเนี่ยเป็นโดยอัตโนมัติครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟัง พนะระอนาคามีนี่จะดทานอาหารครั้งเดียวมื้อเดียวโดยอัตโนมัติพวกเรายังฝืนทานมือนม้อเดียวฉันมื้อเดียวเราก็ฝืนตามคุณสมบัติของพระอนาคามีก็แล้วกันนะคือทเห็นว่าขนาดนี้พอดีกับการทรงท่าทรงขันอยู่ได้ร่างกายเบาสบายปลอดโปร่งมื้อเดียวแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วก็ ก ล, ลกลัวนะกลัวทนจะจับกลัวนี้จะเกาะกลัวกวเพาะจะเล่นงานสารพัดหละความกลัวมันหลอกซะก่อนแล้วไม่กล้าไม่กล้าก็าผ่อนไปปรับไปแก้ไขไปทำไปหัวใจของเราของท่านขัดสีของไขของเราไป อาจารย์หาหัวหน้าชื่ออะไรนี่ท่านฮะหลวงพ่อนี่ท่านไม่มาไหนหลวงพ่อไหนท่านท้องไม่ดีครับสองวัน อ, อาจารย์อะไรชื่อบรรทมครับบรรทมภาษาเท่าไหร่สิบสามสิบสามแล้วท่านเท่าไหร่สิบครับท่า น, นสาิบพรรษาอาจารย์กัญหาเนี่ยท่านเป็นธรรมยุทธหรือมหานิกายเป็นธรรมยุทธครับ เป็นหลานหลวงปู่ชาเป็นหลานหลวงปู่ชาครับเป็นธรรมยุทธไม่ใช่มานิกายครับผมแต่ที่วัดจะสวดแปลครับที่ว่าสวดแปลผมก็ได้ยินมาอย่างงั้นนะพราะว่าอาจารย์การหาท่านเป็นหลานหลวงปู่ชาก็จริงอยู่แต่ท่านเป็นธรมนนธรมยุทธนะหลวงปู่ชาให้บวชธรรมยุทเออนี่ยผมได้ยินอย่างงั้นแหละ บ, บ, บางคนก็ว่ามานิการมานิการบางทีผมก็สับสนเหมือนกันนะ <c oughs> คือถ้าเป็นมานิกายเราก็มีข้อปฏิบัติต่ตอกันตั้งแต่สมัยเราอยู่บันตานั่นแหละสุมเมโทเนี่ยฝรั่งร่างใหญ่ไปนู้นั่งเทเลอติดเนนสุมเมโท้นะรู้จักไหมสุมเมโทรเขาไปอยู่อังกฤษไปมีสาขายเยอะแยะอยู่อังกฤษสุมเมโทตอนนี้อยู่วองเขียวม า, ามาเมืองไทยอ่ะแล้วมาเฉพาะช่วงออกภาษา ท่านอยู่วัดอาจารยานะที่วําเขียวจำจำภาษาด้วยหเปล่าครับผมเนะครับโอ้เล่าืราวัดอยู่นู้นเยอะแยะครับให้หมูอยู่ย่าสมเยโทรภาษาเท่าไหร่เมทโธภาษาเยอะแล้วบทตั้งแต่ก่อนโบราณสี่สิบห้าสิบละมั้งครับเป็นฝั่งคนแรกที่เริ่มใช้ศรัทธามาเอาข้อปฏิบัติไปเผยแพร่ เนี่สยสมัยเราอยู่บรรดาสมัยโทไปมานิกายไปครูบาอาจารย์ท่านมีข้อปฏิบัติจัดให้นั่งโน้นต่อเน้นไปต่อเน้นไปเรานี่เรามาอยู่นี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นมานิกายมาเราก็ให้จัดให้นั่งแต่ถ้าไปอาจารย์สุวิทย์มาเน่ยลูกศิลป์ปุ้ยไช่มาเราก็ให้นั่งบนบ น, บนมาเด็กคนละคนละแถวนั่งบนบนมาแล้คนละแถวเพราะสมัยเราอยู่บรรตา มีอยู่ช่วงหนึ่งได้ยินข่าวว่าลุงปู่ลุงปู่ชัยนี่จะไปลุงปู่ชัยก็เป็นสายลุงปู่ชานะลุงปู่ชัยมูก็เลยไปถามลุงตาถามว่าถ้านลุงปู่ชัยท่านอาจารย์ชัยมาจะให้นั่งยังไงเออท่านชัยนี่เราสนิทใจลุงตาท่านว่านะเราสนิทใจให้นั่งตามลําดับไปเลยถ้าท่านชัยมูชัยแต่ต้องบังเอิญตอนนั้นท่านไม่ไปคือ ย, ยังไงเนี่ยเราก็ชักลื ม, ลมเดือมใช่หมะ หลวงปู่ใช่หลวงปู่ใช่ท่านเคารพหลงตากับเคารบหลงผู่เขียนเ <Stuart. S 1> พราะฉะนั้นท่านสั่งลูกศิษย์ไว้ถ้าเกิดเราตายไปนี่ให้ลูกศิษย์ไปหาหลวงตาไปหาปหาลวงปู่เขียนเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ท่านก็นเลยติดตามมาจนทุกวันเนี่ยหมือนบันโพลนะ่ะลูกศิษย์หลวงปู่ใช่ก็ตามไปทาบุญ ต, ตลอดกับที่หลวงตาเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่ใช่ก็ตามมาทาบุญกับหลวงตาตลอด ท่านเคารพดวงตาเคารพหลวงปู่เขียนสมัยเราอยู่กับหลวงปู่เขียนเนี Gobierno ่ย like ท่านไปทุกปีทุปีไปแล้วท่านก็บอกลูกศิษย yeah. ์ให้ประวาตินาถลุงปู่เขียนให้ลูกศิษย์ที่ติดตามไปลูกศิษย์ที่เป็นโยมนะองค์นั้นองค์นั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นประวัตินาถลุงปู่นะประวัติประวัตากับท่านตลอดชีวิตเลยผมอยู่ด้วยผมได้ยินกระโหูเลยแหละท่านบอกลูกศิษย์ให้ประวัตินาถลุงปู่บุญชัยท่านเคารพคูบายอย่างขนาดนั้นนะ บอกเลยนะจับเหมือนก็จับใส่มือเลยเพราะวาวนากับหลวงปู่น ะ, ะวาวนากับท่านตลอดชีวิตเลยวาวนาเกี่ยวกับจตุปัจจัยพวกไพศาลเอ่ยพวกอะไรเอ่ยเนี่ยเราก็จักลืมลืมลหลายคนตั้งแต่สมัยหลวงปู่ท่านอยู่สมัยหลวงปู่ชัยอยู่แล้วก็พอนี้ไปไปกับท่าน หลวงปู่ชัยท่านมารภาพเมื่ออายุเท่าไหร่อายุไม่เยอะเท่าไหร่นะหกสิบเท่าไหร่อะหลวงปู่ชัยวัดเขาฉลากนะ่ะเราไปบ่อยวัดเขาฉลากเพราะท่านป้อมนะ่ยท่านป้อมนะ ท, ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชัยเนี่ยเขาก็มาอยู่นี่ตั้งสี่ปีอะนี่มาจำพภรษายอยู่กับเราเนี่ยเย็บสงังคาเย็บมุ้นเย็บนี่ตอนหลังมาเราบอกให้หมูได้ฝึกได้อะไรด้วย แล้วท่านก็ามาเกือบทุกปีหน้าแล้พระอาจารย์สวิทมาญาสวิทป้มยุชนบุรีเขาฉลากวัดเขาฉลากระบายหลายครั้งคนที่อยู่กรุงเทพไม่เคยรูออย้จักนั้นเขาฉลานะบปูใช่วัดสายหลวงปู่ชานะปู่ช่ ท่านบุญนาคบุญภาพนะไม่ธรรมดานะท่านพาลูกศิษย์ไปเนี่ยท่านบอกเลยนะเนี่ยประวัติากรหลวงปู่เนี่ยไปประวรัติาไปไปประวรัติ า, ากับท่านเดี๋ยวนี้ <laughs> ว่าภาวนาคือยอมให้ขอยอมให้บอกท่านขาดเคืน อ, อะไรต่ออะไรก็ให้ท่านบอกท่านขาดเคืน อ, อะไรต่ออะไรให้ท่านบอกเราตั้งแต่เราบวชมาเราเจอคนเดียวที่ภารณาเดินภาวนาพระหมดทั้งวันเลยเนี่ยฉันหมอ่ว <laughs> ยหมอ่วยเกลีสิ่งนีู่แหละช่วงหลังมาเนี่ยท่านไปบวชที่บรรทัดช่วงนั้นพวกเราก็อยู่ สดแล้วท่านศึก เ, เราถามอ้าวเฮ้ยเราคิดจะอยู่ต่อไปสึกทําไมอ่ะเฮ้ยผมเป็นเริ่มงานเอาไว้ผมจะไปจับงานต่อตอนนั้นท่านท่านไปเปิดโรงเรียนอะไรนะอาอยุระเวศวิชานวดวิชาอะไรอะไรเนะี่ยมันมีสิทธิ์อาจารย์มาอวยรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยเพิ่งเลยสึกไปจับงานนี้ต่อนั่นแหละตอนท่านสึกเนะี่ยท่านเดินประวารินามหมดทั้งวัดเลยนะ โอ้ใจใหญ่มากยันมาอวยเนี่ยบางคนวารณาไม่ได้ดอกภารณามีอะไรมันไปคนเอาหมดอ่ะ <c oughs> <c oughs> บางคนยิ่งเขาวารณาเท่าไหร่ยิ่ง เขาลบยิ่งยำเกรงนี่ยลบผู้ขเขียนท่านเล่าให้ฟังสมัยท่านเป็นมหาปริญญาอยู่กรุยยงเทพนะป ร, รียนเก้าสมัยนั้นโอ้โหดังคุณหญิงคุณนายอะไรต่ออนะไรเนี่ยไปภาวณาให้ขอทัานให้ขอนี่บอกขาดเคยเทอะไรบอกบอกอู้ยแค่เขาปภาวนากับบุญล้นหัวแล้วเรายิ่งเขาปภาวนาเท่าไหร่เรายิ่งๆๆเขายิ่งยำเกรงไม่กล้าไปบอกไปขออะไรดอกนอกจากเขาถืออะไรติดมาติดลงไปเขาถวายเนี่ะถึงจะได้ใช้ ใช้ไปบอกเขานะั้ไม่กล้าบอกหรอกปรบาราณาท่านอะไรก็ปรบาราณาเถอะนี่คือนิสัยคนบางคนย่อนให้ไม่ได้นะมับเลยนะย่อนให้กับมั่บย่อนให้กับมับ บ, ม บ, บางคนมาเกี่ยวข้องกับพระต้องระวังมากๆเลยนะไม่กล้าเอ่ยปากหรอกเพราะย่อนไม่ได้ย่อนลก็ความมั่บย่อนละความวามับ บางคนถ้าเป็นเหมือนอย่างหลวงคูเขียนเนี่ยไปปภาวนาเท่าไหร่โอ๊ยท่านยิ่งเกรงเกรงอกเกรงใจโอ้ไม่ได้กินของเขาดกไม่กล้าบอกเขาดกคุณหญิงคุณนายเขาไปปภาวนาโอ้ท่านหมาขา่านน้นขานนี้ข่าอะไรบอกให้บอกโอ๊ยไม่ได้กินของเขาดกไอ้แค่เขาบอกเลยเกรงใจเขาจะตายอยู่แล้วอนอกจากทัาถืออะไรติดมาติดมือไปพอเขาเอาไปถวายเอออันนั้นพอจะได้กินอยู่ตอนนั้นฝังเป็นอย่างไงยิ่งนิสัยท่าน่ะ มักน้อยสันโดดจริงๆหลวงปู่เนี่ยไม่มีที่จะพูดเรียบเคียงอย่างนั้นอยไม่มีนิสยัยหลวงปู่เขียนเนอ่ยแล้วท่านอยู่อย่างนั้นสะดวกสบายของท่านท่านเป็นคนอดิตเรกลาบน้อยนิสัยของท่านชอบอย่างนั้นจริงเราเคยเห็นนะมีคนมีคนที่เขาชักจะคุ้นเคยซะหน่อยหนึ่งกับเพื่อนเนี่ยหลวงปู่เขียนน่ย มีคนที่จะคุ้นเคยกันซะหน่อยนานๆเขาไปกราบท่านไปกราบท่านเขาถวา ย, ทาน น, วายทานนู้นถวาย ท, ทานนี้ภาวนาทานน้นพันท่านนี้มือนอะไรอะไรเนี่ <c oughs> <c oughs> ายเอ้ยระยะนี้ยังไม่มีอะไรจําเป็นไม่ต้องรักท่านพูดเฉยเลยนะระยะนี้ไม่มีอะไรจําเป็นไม่ต้องไม่ต้องไม่รับเฉยเลยนะเราเคยเห็นแล้วนะเออระยะนี้ไม่มีอะไรจําเป็นเอาไปเถอะเอาไปใช้เอาไปอะไรเถอะเอ <c oughs> เอ้พูดเฉยเลยไหมเราก็ไม่เคยเห็นใครพูดนะได้ยินหลวปู่เคียนนี่แหละพูดท่านพูดเฉยแล้ยปฏิปทาท่านเลยโอ้ยสะดวกสบายท่านท่านไม่ยุ่งกับใครบางทีคนนู้นคนนี้ไปอะไรมากมายเยอะแยะโอ้ยคนอะไรมากมายเยอะแยะมันรู้จะไปใช้อะไรยังไงท่านพูดนะโอ้ยมากมายเยอะแยไม่รู้จะไปใช้ซอยไ อ, อย้งไง เ ร, เราได้เห็นเราได้ยินนะเพราะอะไรเพราะตอนนั้นหลวงตากับจกุณวัดโพนี่ขนอะไรต่ออะไรไปไปถวายท่านเพราะได้ยินกิติศัพท์ท่านว่าท่านเป็นคนสักการะน้อยเหมือนกับว่าท่านปวดท่านอยากท่านอะไรต่ออะไรเนะี่ยขนอะไรใส่สิบล้อไปไปลงไปลงกดบันเนินเทินถึงอู้ยอมาในภาคมาเลยนี่ใส่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ เอ้เราก็ไม่เคยเห็นใครเราเห็นน้องบุกเขียนนี่แหละนิสัยท่านจริงสะดวกสบายจริงๆทวกสบายพูดไม่มีอะที่จะไปล้วงกระเป๋าไม่มีน้องบุกเขียนเนี่ยแต่ไม่ค่อยจะมีใครเอามาเล่าใหฟังหรอกไม่มีใครหรอกเราเราไปเห็นเราเรามาเล่าใหฟังเนี่ยลูกศิษย์ของท่านสวยมากพอมีความรู้สมัยเาขา ไ, ไปเรียนกรุงเทพไปเรียนกรุงเทพ ไปเรียนพรได้ความรู้แล้วก็ศึกเพรได้ความรู้แล้วก็ศึกเดี๋ยวนี้เหลือสักคนไหมไม่มีไม่เหลือมีเหลือมหาบุญร่วมที่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบรมไปเรียนจนได้ป ร, ริญญาเก้าเดี๋ยวนี้ยังอยู่นะมาบุญร่วมเวลาวันที่ห้ากุมภาหลัะจากวันครบรอบลุงปู่ ม, มรณาภาพเนี่ยเรานิมนต์ทั่ประเทศทุก ป, ปีมาบุญร่วมเป็นคนบุญรำเป็นคนนิสัยดีเป็นเป็นนัก เทศนักแสดงทำนักเขียนหนังสือลงในธรรมจักสุขเอามป็นร่วมนี่แหละนะสมัยหลวงปู่อามาพาดอยู่นะตอนนั้นเราก็ยังอยู่เอามป็นร่วมเข้าไปไปช่วยจับไปช่วยประคองประโยชน์ดูแลไปช่วยประทัรมทาไปอยู่สองปีพอออกจากหลวงปู่ไปแล้วเข้าไปเรียนหนังสื อ, อยรุงเทพสอบจนได้ป ร, ริญญาเก้าซึ่งเป็นคนเดียวคนแรกที่ได้ป ร, ริญญาเก้าที่เป็นลูกลูกศิษย์ของหลวงปู่เขียน หลวูเขียนท่านได้ปริญญาเก้านะท่านเรียนจนได้ปริญญาเก้าสอบได้ปีเดียวกันกับนี่สมเดียวสังฆราชเนี่ยสอบได้ปีเดียวกันเลยแต่หลวงปูเขียนท่านตกหนึ่งปีตกปริญญาเก้าที่ตกก็คือเขาไม่ยอมเอามาตรวจให้คือท่านทำเสร็จก่อนเวลาที่แล้วท่านนั่งเช็คนั่งสํารวจนั่งอ่านนั่งทบทวนทีนี้มันไม่มีนาฬิกาดูนาฬิกาไม่อยู่กับมรมการคนเดียวนะ นี้พอเขาบอกว่าหมดเวลาลุก ป, ปุ๊บพับเอาไปส่งเขาไม่รับปีนั้นตกเขาเรียกเขาเรียกว่าตกเวลาแบบนี้เขาเรียกตกเวลาคือไปส่งไปส่งหลังเหมือนกับแกล้งกันนะมันก็แกล้งกันตกเวลาทั้งหลายองค์ปีนั้นของท่านท่านทําถูกหมดเลยนะแต่ไม่ยอมรับไม่ยอมตรวจไม่ยอมอะไรตกก็ป๋องไปเลย <c oughs> ปีหนึ่ง <c oughs> ท่านอุตส่าห์ไปอธิษฐานที่วัดพระแก้วเลยนะอะ อธิษฐานก่อนก่อนก่อนสอบเนี่ยคำว่าตกย้า้ได้ยินให้ตายซะก่อนเราฟังดูตีเด็ดเด็ดมากเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นนะคุยเล่นตลกไม่เป็นเด็ดมากคำว่าตกย้าให้ได้ยินให้ตายซะก่อนก่อนจะได้ยินคําว่าตกดูนีเด็ดไหมไม่ไม่ผ่านจริงจริงอะ ตกเวลาโอ้ท่านบอกว่าสมองเหมือนกับเละไปหมดเลยนะโอ้เสียใจยมากอภาษาเรียนมาเป็นแฮปีเขาไม่ยอมตรวจให้เขาไม่ยอมรับทำทูกหมดเพราะปีหลังมาในสอบพร้อมกันกับสมเด็จรนกราชได้คะแนนเอกเลยลูกเขียนได้คะแนนเอก <laughs> บางคน จ, งจึงเรียกว่าท่านเปลี่ยน18ประโยคอะ <laughs> หลวงปู่เขียนเนี่ยโอ้ยเอาอะไรไม่สนใจใครเอาอะไรคืองานชั่วคราเอาอย่างเดียวอยู่นั่นแหละหลวงตาถูกคอถูกกันกับหลวงตาหลวงตาทว่าเสี่ยวเสียวเสียวหลวงตาเรียกเสี่ยวตัวเพราะฉะนั้นพราะฉะน้น ง, งานของท่านนี่ท่านจริงเมตตาเราตลอดนะตอนนั้นเราอยู่ดูแลยอยู่ที่นู่นเราเรามาเรามาอยู่ในวัด น, นี้แล้วท่านให้เรามาสร้างวัด น, นี้แล้วแหละตอนหลวงปู่เขียนท่านมรณภาพปีห้าสี่ไม่ใช่ปีสีห ปีสหเราก็มาอยู่นี้ตั้งแต่ปีสามแปดเนี่ยทำเตาเน่ยสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สมสี่สี่สี่ห้าสี่หโอ้โหต้งแปดเก้าปีเรามาอยู่นี่ตัง 8, 9, ้งเราก็เป็นผู้ใหญ่พอสมควรเพาะงั้นแต่เราดูเราเป็นผู้ใหญ่ดูแลอะไรทั้งหมดเลยแหละอ่าพอท่านเสียท่นมรณภาพล้ตาเข้าไปเป็นเชาวภาพเมตตาไปดูไปรดน้ําศพนะไปรดน้ําศพ แล้วก็ไปเยี่ยมเป็นการเป็นคราวแล้วก็ไปกําหนดวนันกำหนดไรที่จะเผาเผาวันที่ทลายไม่รู้นะเอาไว้สี่สิบประมาณสี่สิบห้าวันทีนี้ตอนแล้วก็ถือว่าตอนเผาก็ถือว่าท่านเป็นเจ้าภาพเลยไม่ขอพระราชทานเพลิงนะไม่ขอทั้งๆที่ท่านเป็นเจ้าคุณน่ะไม่ขอถือถือว่าถวายเพลิงธรรมดาธรรมดาท่าก็เมตตาไปถวายเพลิงเมตตาไปเป็นเจ้าภาพเราก็จัดพระป่าช้ชาช่า ปี่ 6. พอปีสี่มาเราก็วางศิลาเลิกมรดกท่านไปอีกท่านก็เมตตาไปอีกไปวางศิลาเลิกเกียรตหลวงปู่จักพ่อป่าช่วยชาตอีกอป่เปีสี่แปดก็ยังไม่ได้สร้างเพราะทองยังไม่ได้12บสองตันไอ้ปีสี่เดนี่ยวางศิลาเลิกแล้วยังไม่ได้สร้างปีสีถึงในถึงในเริ่มสร้างเริ่มสร้าง สี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์เสร็จฉลองมรดท่านไปอีกจัดพระป่าชวยชาติอีกในอำเภอหนองในอำเภอในอำเภอคำม่วงเนี่ยเขาขอที่ว่าการอำเภอท่านก็เมตตาให้เขาแปดล้านไปสร้างที่ว่าการอำเภอจากเดือนกุมภาวันที่6กวันที่ห้ากุมภาเนี่ยเขาก็ไปสร้างพอสิงหาสิบสองสิงหาวันครบรอบหลวงตาเขาก็มอบหลวงตาก็เลยไปมอบที่ว่าการอำเภอ เราก็จัดพระป่าช่วยชาติตงนั้นอีกสี่วาระนะตรงนั้นสี่วาระที่บัณฑโพลเกี่ยวกับหลวงตาเกี่ยวกับรลวงปเขียท่านเมตตาตลอดท่านเมตตาตลอดเพราะฉะนั้นตอนท่านตอนเรามาอยู่บัาฑ์ปีสี่เจ็ท่านเส่นเราหิบแต่ในสมองอามาผาช่วยตัวเองไม่ได้เขาก็มาตามเราก็ไม่ไปปี 4.8 ป เขาก็มาตามมาตามแล้วตามอีกตามแล้วตั้งอีกเราก็ไม่ไปท่านก็ไม่บอกให้ไปท่านก็ไม่บอกให้อยู่เออแล้วมาศึกษาดีแล้วอะไรแล้วแล้วใจพิจนาเองเนอะแต่สินใจเอาเองเนอโอ้โหไม่ธรรมดาเดี๋ยวก็ไปตามเดี๋ยวก็ไปตามเดี๋ยวก็ไปตามเรากลัวท่านลําคาญปีสีเก้าเราก็เลยออกมาออกไปช่วยท่านอีกออกไปช่วยท่านอีกหกปีนะ ออกไปช่วยท่านอีกปีออกจากบรรดาษนะ อ, อไปช่วยท่านที่นู่นอีก6ปีพรตอนนั้นท่านช่วยอะไรไม่ได้เราก็ไปช่วยดูแลภาระประเด็นอะไรเราไปช่วยหมดนี่พอปีอ่าปีหปีหพอปีสามหอ่ปี 5, ปี 3, 5, ป่สหนี่ ส อ, สองปีเนี่ยเจาย้าเมชัยท่านมาช่วยสร้างน้งปุรีล้งปุรีภาษาสี่ท่านถึงไปสร้างผุผาแดงเนี่ยสามสามสามสสร้างได้สระกได้สระได้กุฏิได้อะไรเพียงพอแล้วปีส5หท่านก็เลยออกไปอยู่ปุสองโคเจา้าเมชั ย, ยไปไปแล้วก็ไปเห็นถ้าดีอะไรดีแล้วไปยึดเลยพอดีกับไอ้ที่บรรพูนพรเราเนี่ย มีพระผู้ใหญ่เป็นสามารถหลายองค์สองสาองเราก็เลยเราก็เลยปลีกตัวออกไปก่อนก่อนที่จะปลีกตัวมาหาเพื่อนเราก็มาเยี่ยมเพื่อนมาไหมมาไหมมาไหะถ้ามาจะให้เขาทากุฏิกุฏิเสาทุบเปลือกเสาไม้สดส ด, สดทุบเปลือกนะฮะอยู่ที่ภูสังโฆนะเอ๊ทําไงถ้าผมมาหมู่ก็จะหนีหมดทําไงเอางั้นผมจะเล่นกลผมจะทํากลอ่ะ วันวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าบรรษาเนะยเราก็มาวันนี้ไปที่ภูสังโฆ ว, วันนั้นหมูก็ยังโดดตามเราไปหนึ่งมันโดดตามไปหนึ่งนะมาเด้คนที่มาส่งเป็นหลานเพื่อนก็ไม่บอกว่าไปไหนเนะออกมาจากบันโพนเนี่ยมาเนี่ยมาภูสังโฆเนี่ยเป็นปีเป็นปีแรกที่จะใช้มาใช้ท่าน บ, บุกเบิกแต่ท่านไปอยู่ก่อนเราหลายเดือนสองสาเดือน ก็เลยเข้ามาอยู่ปู่สงฆ์ด้วยกันสองสามปีเนี่ยหลวงตาท่านไปปู่สงฆ์ท่านก็ไปเห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปเห็นเราและเห็นพวกมันพลตามไปเป็นอ่าพวกนี้มากวนท่านมันมีอแล้ววัดีสามหกสามเจ็ดคุณท้วลาถวายที่ตรงนี้ท่านก็เลยแยกให้มาอยู่นี้นี่ก็เริ่มมาติดงะอยู่นี้จนเดี๋ยวนี้ ก็อเอวังแค่นี้วันนี้แค่นี้ก่อนอพรุ่งนี้ต่อนะพรุ่งนี้มามานั่งภาวนาต่อเอาถึงห้าทุ่มหกทุ่มเนาะเอาไหมไหวไหมใครไม่ไหวยกมือใครไม่ไหวใครไม่ไหวยกมือเฮ้ยแค่อยู่เฉยๆนั่งอิรยาบดเดียวเนี่ย ตั้งแต่ยังไม่มืดจนสว่างจ้าเนี่ยไม่พลิกไม่เปลี่ยนให้แค่เราขยับนู้นขยับนี้ได้อะไรได้เนี่แค่นี้ปลารกความเพียรให้มากข้างในเนี่ยมันจะไม่เงานอนมันจะไม่หลับหรอกอาจจะเคลิดหน่อ ย, ยมโบขึ้นมาเคลิบขึ้นมาไม่ต้องไปกลัว